ฝัง่งหมดมี42 43ทั้งเน่นพระ2 3รูปทั้งพระทั้งเนนเ น, นเน้นย่งรูปพระ42แล้วเมื่อวนันหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับพี่นองทังกรุงเทพ ป, ประเทศชาติไทยของเหงาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันหนีออกจากกันบ่อใดคือเสาหลักของประเทศชาติเดี๋ยวนี้กําลัง เปลี่ยนขั้วหรือว่าเปลี่ยนแนวความคิดความนึกคิดนะของพี่น้องประชาชนแตกแนวความคิดนะมันบวลงร้อยกันที่ว่าอย่างอํานาจก็บรรนา จ, จะพิษเกื้อกันแต่ว่าถึงยังไงเนะี่ยมันเป็นคนกลุ่มใหญ่จกักแมนยังตอมแมนยังแต่เฮ้าผูกอยู่เบื้องนอกนี่ ก, น ก, นกัจักแมนไผ่พิษจักแมนไผ่ถือมันก็อยู่ไกลสายตาของพวกเฮ้า เกินกว่าที่พวกเข้าจะประเมินหรือพูดใดว่าเงิภเป็นผูแผ้แพร่ภเป็นผู้ถูกต้องภายเป็นผู้พิษในเท่ามีแต่ว่าเออให้พวกเ้าทั้งสองฝ่ายคิดไปในทางที่ถูกเนอะทาในทางที่ถูกพูดในทางที่ถูกให้เป็นสัมมาทิฏฐิกันพูดใดก็ตามคิดพูดทําไปในทางมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดพวกเ้าพอเห็นด้วย จะทาให้ประเทศชาติลมจมจิ๋บหายคณนว่าผู้ใดคิดถูททกทาถูกพูดถูกพวกเข้าขอสนับสนุนอขอให้จะเลิกงงเรื่องอย่าให้มีปัญหาโดยเทพเจ้าเล่าเทวาทั้งหลายทุกระดับขันตั้งแต่ผู้ที่ได้มาเกิดในผืนแผ่นดินไทยยุคเก่าสมัยเกา่าในป้อมเพ่นท่านศิลาวนาไปอยู่สวรรค์สันฟ้า ให้มองดูประเทศชาติไทยชาติสาสนาพระมหากษัตริย์ทุกเทวดาขอให้บรรลุนนบรรดาลซอยประเทศชาติอย่าให้มีกรียุคเกิดขึ้นอขอให้ทุกอย่างให้เรียบร้อยราบรื่นอย่าให้มีความรุนแรงเทพเจ้าเราเทวาปิยามเทวาธิรัตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทวารสา ก, กลโลก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 ให้เป็นผูชนะให้เป็นผูปกครองประเทศชาติเหมือนกระถ่อมถ่อมก็เหมือนนามสะอาดอาถ่อมนะเหมือนกระนามซกกระปลกฮะแต่เดี๋ยวนี้มันยังแยกกันมาออกไพคือว่าเป็นนามสะอาดไพคือว่าเป็นผู้ถูกต้องแต่ว่าถึงยังไงก็ตามผู้มีหูทิพตาทิพเป็นคงจะหูวจักว่าผู้ได้คิดดีผู้ได้คิดซัวผู้ได้ทำดีผู้ได้ทำซัวผู้ไดพูดดีผู้ไดพูดซัว เพิ่นจะหูจักอในพระไถ่ในใจของเพิน่นคันว่าพวกเข่าทิไปเบาเดียวดีกัผู้นันพิษผู้นี่ถือกันจะมาหาตีกันในบวงเข่ากันอีกละ่ะอพวกการเมืองการบ้านเนี่ยบกควรจะเว้ากันในญาติพี่น้องในวัดในว่าขึ้นกันก็ ม, มีแต่ว่าเอ อ, เอาทางไหนถูกต้องเอาทางนั้นทางไหนเป็นมิจร ช, ชัดทิฏฐิบ่เขา่าบ่วงเข่าทางนั้นทางกิบหายจะไปเขา่าใดจังใด โบูุจักสูงโบหุจักตำ่ำโบหุจักสิงค่วรบขควนโบูุจักประเทศชาติบ้านเมืองมีแต่งแต่สุกเอาเาพลากินเห็นแก่ผักเข็งแก่พวกประเทศไดก็ตามกลุ่มไดก็ตามถ้าเป็นทางสัน้นแปลว่าบอดีประเทศชาติชาติไทยบ่เม็นของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของคนทางชาติเป็นของทุกคนต้องมีการร่วมกันมพิจารณาให้ความถูกต้องเป็นธรรมคับทุกขู่ทุกคน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 มาตั้งแต่ดึกตําบันเป็นศาสนาประจําชาติมาตั้งแต่ดึกตําบันพระมหากษัตริย์ก็คือผู้ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองของเข้ามาตั้งแต่ดึกตําบันคันธมอโบมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศชาติมาเป็นโบมี่ภายคุมข้องตั้งแต่ดึกตําบันมาชาติไทยของเขาก็คงจะเป็นเมืองขืนของต่างประเทศเขาอย่างที่พวกเข้าเห็นรอบด้านนั่นแหะ ถ้าเข้าอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเฮ้ยเรื่องมันเกาไแล้วไม่อยากหาเบอขั้นเขาจประเสธพิิเสธตงสันอีกสักมือนึงเนาะพวกลูกสาวลูกชายของเข้าลูกสะใภ้ของเขานะเฮ้ยสูกูนหาให้หาหน้าให้สูได้อยู่ดกินเฮ้ยมอย่าหาเ้าบักห้างบักเท้าเมันแล้วไแล้วก็แล้วไปแล้วเฮ้่าหาเบายัง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 ระลึกถึงพระคุณผู้ที่รักษาประเทศชาติบ้านเมืองได้รับความรล่มเย็นเป็นทุกข์มากด้วยเอาเลือดเหนือเสือใครท่าแผ่นดินมาปกป้องประเทศชาติมากกระเคือค้นคุ้มไถ่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนี่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมากเนี่ให้ให้เฮาล่ำลึกถึงอย่างพระพุทธศาสนาให้กัน พพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละพวกเฮาเก่อนที่เหตุยังเฮาก่อนะโมตัตตมสสะ พ, พร ะ, ขพร ะ, พระคขาวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นก่อนเฮากิทํากิจกรรมยังก็ตามเฮานอบรำลึกถึงบ่อร่มมาครู่คือตนาศาสนาตนพระพุทธศาสนา ที่ประธานเอาไว้คือประธานพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนํามาพำนซอนพวกเฮาให้หุจักดีหุจักชั่วหุจักบาป บ, บุญคุ้นโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อายุเจ้าอยู่แบบนี่เนอะจะร่มเย็นเป็นสุกอยู่แบบนี่เนอะจะเดือดร้อนฟุ่นไหวฮะอันนี้แหะคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คนอนกรเฮ้าสีเอาพระธรรมข้าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเลฮ้าพวกเฮ้าจุดหนึงจึงหนอบนอบค่ายๆว่านอบนอมขอย่อมคลวะซะก่อนยังคอยหยิบยืมเอาธรรมข้าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพราะนั้นต้องมีประวัติศาสตร์มีบุญมีคุณโคนรบัวล้านเขาเห็นแล้วลึกถึงบุญคุณ ข, ขั้นธรรว่าโคตรอะไรก็ตาม โอ้จักบุญคุณของผู้อืน่นดูถูกเหยียดยามอันนั้นพนว่าเป็นบุคคลที่เนรและขุนนะเนรและคุ น, ะน ค, คนนะไม่รู้จักบุญคุณของคนอันนั้นเป็นหนทางแห่งความจีบหายตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะอันนั้นขอให้พวกเฮาเน้อคณะชาตาญาติโยมลูกหลานทุกคนอยู่ในความสงบกันกลองไตรตรองเหตุและผลพวกเฮาอยู่ห่างแต่ถึงอย่างไรจ ง, งไงในะกฤติน่ะ มันคงจะมีเรื่องมาลุ่มมาตุ่มกันพอสมควรนะ่ะในเมืองไทยของเข้าในช่วงนี้ก็น่าคิดอด้วยกันนะหลวงพ่อว่าสีซอยแบบใดนี่ถธอซอยเธอเออเทพเจ้าเราเทวนะเน อ, อผู้ใดเป็นได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลออพระโสดาพระสกทาฆ่าอาณาฆ่ า, า, าย่อมท่านถึงสําเร็จเป็นพระหัน์จึงจะไดกับบรรทุนบรรดาลซอยประเทศชาติชาติไท ย, ยใหญ่มีอุปสรรค ให้ลาบลืน่นให้ไปในทางที่ถูกต้องให้ช่วยผู้มีร้ำผู้ใดเป็นธถ้ำช่วยผู้นั้นละกันเป็นอา ร, รมให้ให้แพ้ไพ่ตนเองใ ห, ให้แพ้ไพ่ตนเองแต่กระบอบ่ให้จีบหายมันอกไปเอแต่ว่าให้ย่อมให้สํานึกผิดในจิตใ น, ในใจคือกันกับเที่วทัฏฏ์นะเที่ยวทัฏฏ์พ้นโค้งสุดท้ายก็เออข่าวประชาได้คิดบดุตรอิหลีย่อมสารภาพผิดแล้ว เข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่บูชาย่อมสารภาพผิดข้าพเจ้าขอเอาขากันไก่คือข้างนะบูชาพระพุทธเจ้าพระทรมประสงค์โดยเทินขอคลวะขอสัมมาหลาโทษอย่าให้ผู้ขาเป็นบาปเป็นกรรมที่ข้าพเจ้าคิดมาแล้วทํามาแล้วเหตุมาแล้วมันผิดย่อมรับผิดสารภาพผิดแล้ว น, ะนี่แหละเทวทัตก็ยังยอมรับโค้งสุดท้ายเลยพระพุทธเจ้าผล น, นี้ละ เทวทัตยอมรับโข่งสุดท้ายนี่แหละที่เลอาเทวทัตมาบวชเนี่ยค่านามว่าเทวทัตมาบวชเนี่เทวทัตจะบวชจักบาบุญคุ้นโทษจริงควรบอกควรแต่ในเทวทัตเห็นดันทุลังอยู่อ่ในขณะจังมีชีวิตอยู่เน่ยแต่ว่าโงสุดท้ายแผ่นดินสูบเทวทัตหอดข้อลเลยเพียงข้อแล้วนะเทวทัตเกิมิแต่ อ, อกขากันไกรลงไป เมือเขขม่อกระขืนโมไรได้แผ่นดินดูดเลยเอาขากันไก่ขอากราบคลวะสประพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ขอสารภาพพิษ αι, พอสารภาพพิษแผ่นดินโศลงไปอีกลงไปสู่มหาเอาเวจีมหานรกพออลงไปชั่วเวจีมหานรกแล้วกันพ่อพ้นขืนมาก็จะได้ใส่กรรมพ่อใส่กรรมขืนมากแ ล, ล้วบ้านเลยพระเทวทัตนี่ยังได้รับพรรยาก่อนเด้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 จะได้ตั ส, ตนนตส ล, นนลูเป็นพระปเจกพุทธเจ้าแต่ว่าพระปเจกเมื่อพ้นได้ตัสรูแล้วพ้นได้บรรลุเป็นพระปเจกแล้วนะเวลาพ้นสีวอกคำใดเนี่ยพ่ออ้าปากเว้าวเลยนะปากนี่แม่นคนจนคนทั้งหลายอัดดังน้ำหม้ท่านพูดเรานั้นไปอพอเหตุใดพราะบาปกรรมพราะบาปกรรมหาเรื่องหาโทษใส่พระพุทธเจ้าหาโทษใส่ประทรมคําสอนของพระพุทธเจ้า บาปกรรมสนาันจนเต็มเป็นวิบากกรรมของเทวทัตถึงเพลินจะได้สําเร็จเป็นพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตามฮะแต่ว่าเพิินอ้าปากขึ้นมาสิฟ้าอีกอย่างหนึ่งค่นอัดดังไปพวกท่านผมว่าเหม็นวันนั้นไปเหม็นเหม็นกินของพระเทวทัตนี่ยที่เป็นพระประเจกแล้วนะการันเป็นพระประเจกแล้วนะยังได้ใช้วิบากกรรมของเพิินนอันนี้เข้าก็ให้ฟังเอาไว้อันนี้คือพระพุทธเจ้าเพิินพระยากรทำหน้าให้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 กาคิดโบดีการกล่าวการพูดอย่างนี้ออกไปตัวเองบชัดโปเจนมัวเมียบไปปกป้องขางนึงไปรักษาขางนึงไปดา่าขางหนงึ่งบางทีมันก็เป็นความจริงนี่นแหละจะเป็นมูของเทวทัตทไป เ, เป็นมูของเทวทัตเทวทัตซ้อ น, นไปแล้วเราไปลงไปสู่อเวจีเพราะะฉนั้นพวกเข้าให้ระมัดระวังเนะ้อให้ระมัดระวังคําพูดคาจาทุกคนนะ่นแหละตั้งแต่หลวงพ่อเป็นตนไปนะหลวงพ่อกล่าวว่งขึ้นกันได้ ขันโบชัดโบเจดหลวงพ่อชิวบอกบางที่ก็ุดออกไปขึ้นกันน่ะพอความเห็นม่ามันเป็นยังสั้นแต่วางข้างพอมันพานออกไปโอ้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เคยมีอยู่คือกันพรันั้นคอยพวกเข้าทุกขุทุกคนสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินนะรับพรนบานีนะโนโมธนาให้พร